เมื่อเดือนที่แล้วนะมันมีการสอบถามความเห็นของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะเลือกเฉพาะคนที่มีลูกแล้วนะในห้าประเทศนะอินเดียสิงคโปร์เม็กซิโกสหรัฐแล้วก็อังกฤษนะจำนวน 5,000 นคนนะประเทศละ 1,000 นคนและบ ว, ว่ากว่า 90% าเนี่ย มีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาโลกร้อนหรือเดี๋ยวนี้เราเรียกมรวมว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลกเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องโลกร้อนอย่างเดียวแต่มันก็มีที่มามาจากการที่โลกเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆปัญหาที่พ่อแม่เรานี้ห่วงใยเป็นอันดับต้นกน็คืออุณหภูมิที่มันสูงขึ้นพูง่ายคือมันร้อนขึ้น และสองน้ำขาดแคลนแล้วก็สามน้ำทะเลมันสูงขึ้นตอนนี้เนี่ยเรื่องความร้อนเนี่ยนะมันก็เห็นชัดแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เราก็รู้สึกว่ามันร้อนขึ้นนะแต่มันไม่ร้อนธรรมดานะมันร้อนยืดเยื้อแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีพื้นความร้อน heat wave ซึ่งสามารถทำให้คนถึงตายได้ ไอ้น้ำขาดแคลนนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ทำกา ร, กรเกษตรยังไงก็ลำบากแล้วข้อที่3มเนี่ยคือน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนวิตกแต่ว่าจะรู้สึกมองไม่รู้สึกไม่ชัดเจนเหมือนกับการที่โลกมันร้อนขึ้นที่น่าสนใจอย่างนึ่งคือพ่อแม่กว่าครึ่งเนี่ยนะ เขาบอกว่าเขาเริ่มคิดมากแล้วเรื่องการมีลูกเพิ่มขึ้นเพราะว่าปัญหาโลกร้อนนี่แหละมันไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้พ่อแม่หลายคนกังวลเรื่องการมีลูกเพิ่มนะแต่ว่าคือปัญหาโลกร้อนหรือความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเพราะว่าถ้าโลกเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่ ผู้คนพยากรณ์เอาไว้เนี่ยมันจะอยู่ยากขึ้นแล้วก็คนที่จะต้องรับหรือว่ารับคร อ, อกห์ก็แล้วกันนะเต็มเต็มก็คือคนรุ่นหลังเพราะคนแก่นี่ก็อาจจะตายไปก่อนที่วิกฤตมันจะเกิดนะแต่ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยต้องรับเต็มเต็มฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หลายคนเนี่ยกว่าครึ่งเนี่ยเขาไม่แน่ใจนะว่า จะมีลูกเพิ่มขึ้นดีหรือเปล่าไม่อยากให้ลูกมารับเพราะกรรมนะจากปัญหาที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายได้ก่อไว้อย่างที่บอกนะปัญหาโลกร้อนนี่เป็นเรื่องเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจังมากขึ้นพูดกันมาเมื่อส0สิปีที่แล้วหลายคนก็ก็รู้อยู่แต่ไม่ค่อยได้กระตือรือร้น แต่ผ่านไป30ปีเนี่ยนะทำอะไรได้น้อยมากหรือไม่ค่อยได้ทำอะไรจริงจังแล้วคราวนี้ปัญหามันก็เห็นชัดขึ้นปักกิ่งเนี่ยนะซึ่งอยู่สูงกว่าเมืองไทยนะอบอกเดือนที่แล้วนี่หรือต้นเดือนเนี่ยนะร้อนที่สุดเลย41องศาบ้านเรานี่30องศาแล้วก็บนกันแล้ว กลางคืนสาสิบองศานี้ก็นอนไม่หลับกันแล้วแต่โน่นนี้เ็เจอสี่สิเอ็ดองศาแล้วมันก็มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นแต่แม้กระ น, นั้นหลายคนก็ไม่ค่อยตันหนักนะยังอยู่มีอาการประเภทว่าประมาทอยู่ไม่สนใจทั้งที่ปัญหามันใกล้ตัวมากแลวมันไม่ใช่เฉพาะโรคร้อนอย่างเดียวนะตอนนี้ใครอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่รู้นะหรือไม่ตหนักนะว่ากรุงเทพเนี่ย อีกไม่นานเนี่ยน้าจะท่วมเลยไม่ใช่ท่วมเฉพาะเวลาฝนตกนะมันท่วมแบบยืดเยอะอเลยนะเมื่อสิบปีที่แล้วธนาคารโลกนะศึกษาและพบว่าหรือสรุปว่ายี่สิบปีหรือสามสิบปีจากนั้นไปเนี่ยคือจากปีสองห้าห้าหกเนี่ยสี่สิเปอร์เซนของกทมเนี่ยจะโดนน้ำท่วม ไม่ใช่ท่มวมเฉพาะเวลาฝนตกนะมันท่วมยาวเลยเขาบอก20หรือถึง30 ป, ง30ปีนับแต่ปีห6ก็หมายความว่าอีก10ปีข้างหน้าหรือ2ีปีข้างหน้าเนี่ยซของพื้นที่กรทมอนี่จะโดนน้ำท่วมใกล้แล้วนะสิบปีหลายคนก็ไม่รู้นะก็ยังกว้านซื้อที่ในกรทมออยู่ทั้งที่ ไม่เกิน20ปีเนี่ยอร์เซของกทมนี่จะโดนน้ำท่วมแล้วก็มีรายงานเขาก็ยืนยันดีว่าเนี่ยภายในปีกศสองพันหรือปีข้างหน้าเนี่ย100กรกทมนะน้ำท่วมนะอีกเจปีข้างหน้าแล้วตอนนี้น้ำท่วมนี่นะมันก็ก็เกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่นอย่าพื้นที่กทมที่ติดชายฝั่งคือบางขุนเทียน มันเคยมีนะหลักเขตกิโลเมตรที่ยี่สิบปดที่เป็นหลักเขตขวางบอกเขต ร, ระหว่างกทมกับสมุทรปราการเนี่ยแต่ก่อนหลักเขตนี่นะมันอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลนี้หลายร้อยเมตรนะบอกว่าตอนนี้มันจมน้ําไปแล้วและจมน้ํานี่ไม่ใช่เพิ่งจมนะมันจมมาสิบยีปีแล้วเขาพึ่งกู้ขึ้นมาหลักเขตกทมอตอนนี้กิโลเมตรที่ยีิบปดนี้ มันโผล่กลางทะเลแล้วทั้งที่เมื่อ 30- 40ปีก่อนนี่มันอยู่ห่างจากชายอยู่ห่างจากทะเลเป็นหลายร้อยเมตรนะวัดขุนสมุทรจีเนี่ยสมุทรปาการหกสิบปีที่แล้วนี่อยู่ห่างจากทะเลชายฝั่งสองกิโล30ปีต่อมาน้ําทะเลก็ท่วมมาถึงเน่าวัดและตอนนี้เนี่ยนะ วัดนี่อยู่กลางเทเลไปเรียบร้อยแล้วพื้นที่เจ็ดสิบไร่ก็เหลือแค่ห้าไร่ห้าไร่นี่ก็เฉียดฉิวนะท่าข้ามเนี่ยนะซึ่งเป็นอำเภอเอ้นี่เป็นเขตหนึ่งในกในอำเภอบางขุนเทียนเนี่ยชาวบ้านบนมากนะที่ดินหายไปสาม0ันกว่าไร่แล้วนี่ถ้าสำรวจให้กว่ากว่านี้อาจจะพบว่ามันมากกว่านั้นก็ได้อาจจะเป็นหมื่นไร่แล้วก็นี ไอ้ที่เคยอุตสาสร้างเอาไว้ซื้อเอาไว้นี่มันจมน้ามนแล้วแล้วเป็นพ่ออะไรนะมันก็หลายสายเหตุนนะส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการที่ตะกอนที่มันเคยมากับน้ําแม่น้ําเช่นเจ้าพระยาเงี้ยนะท่าจีนเงี้ยมันถูกกันเอาไว้พราสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนนี่นก็ทําให้กัตกตะกอนตะกอนจากแม่น้าปกติก็มา มาถมพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้มันงอกขึ้นเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้ตะกอมันก็ถูกกักเอาไว้ด้วยเขื่อนนานๆชนิดมีนําซ้ำไปชายฝั่งที่มีตะกอนทับถมน้อยอยู่แล้วหรือไม่มีเลยเนี่ยก็โดนคลื่นพัดออกไปตะกอมไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่ามันมีมันมีป่าชายเลน คอยกันคลื่นเอาไว้แต่พอเราตัดป่าชายเลนหมดนะมันก็ไม่มีอะไรป้องกันคลื่นพอคือนเราดูมรสมุมมันก็ซัดเอาพื้นดินตามชายฝั่งทะเลหายไปทีละน้อยทีละน้อยนะจนเกลี้ยงเลยนี่เพราะว่าเราไปตัดป่าชายเลนกันเห็นว่าเป็นป่าที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะถมบ้างตัดบ้างเพื่อที่จะ ทำอะไรก็ไม่รู้นะสร้างศูนย์การค้าหรือว่าสร้างตึกสร้างอาคารเสร็จแล้วก็ธรรมชาติก็เอาคืนไปอันนี้ไม่พูดถึงว่าน้ําทะเลเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าอากาศร้อนก็ทําให้น้ําแข็งขั้วลงเหนือเนี่ยมันก็ละลายละลายเร็วมากเลขย่าหนึ่งความร้อนของอากาศก็ทําให้น้ํามันขยายตัว อันนี้ก็เป็นตัวเร่งที่ทําให้น้ําท่วมเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นอย่างที่เขาบอกนะอีกเจ็สปีข้างหน้านี้ร้อยเอร์เซของกทมพื้นที่ร้อนี้จะจมน้ำเลยแต่ไม่ต้องรอยเจ็สปีนะอีกสิปี20ิปีก็สี่เอร์ซน์ของพื้นที่กทมก็น้ําท่วมแล้วเรื่องนี้คนก็ไม่ค่อยได้คิดกันเท่าไหร่นะถ้าเป็นประเทศอื่นเขาคิดกันแล้วว่าจะทํายังไงดีจะย้ายเมืองหลวงหรือเปล่า แดีวคนคุณกทมอี้ยังไม่สนใจจริงๆไม่ใช่กทมอี้เดียวนะชื่ออื่นด้วยอันนี้เรียกว่าประมาทนะประมาทเพราะความไม่รู้หรือจะคิดว่าเดี๋ยวพระสยามเทวาธิดาจะมาช่วยเองเวลามีปัญหาแล้วก็คิดว่าพระสยามเทวาธิราจะมาช่วยนะบุญบา ร, รมีของบุปผกษัตริย์นี่จะมาปกป้องอันนี้เรียกว่าฝันหลงหล ง, งแรงๆนะั้นแล้วก็เรียกประมาท พอไม่คิดที่จะพึ่งพาตัวเองไม่คิดที่จะขนขวายมันต้องคิดกันได้แล้วนะเราจะทำยังไงดีนะโดยเฉาะคนอยู่กทมเนี่ยจะเอาจะเอาตัวรอดเฉพาะตัวหรือว่าจะคิดแก้ไขปัญหาบรรเทาพิกลิแต่ว่ามันก็มีประเภทหนึ่งนะไม่ประมาณนะแต่ประสาทนะอันนี้ก็ต้องระวังนะประสาทนี่ก็เกิดปัญหาช่วงโควิดระบาดเนี่ย มีทั้งคนประมาทและคนประสาทนะซึ่งสร้างปัญหาไม่น้อยเลยในเรื่องปัญหาโลกร้อนนี่มันเป็นปัญหาที่จริงจังมากนะแต่ว่าบางคนก็ประสาทนะก็เลยไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาแก้ไขประมาทก็ไม่ดีประสาทก็สร้างปัญหาอพราะนั้นต้องคิดกันแล้วว่าจะทำยังไงเพราะเป็นเรื่องจริงเรื่องจังมากอย่าคิดแต่เรื่อง เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย น, นี่ก็สำคัญอยู่นะแต่ว่าไอ้เรื่องโลกร้อนนี่ก็เป็นปัญหาจริงจังมากขึ้นเรื่อยเรื่อยถ้าไม่นึกถึงตัวเองก็นึกถึงครอบกรรมของรูปหลานนะที่จะต้องเจอเหตุการณ์เหล่านี้